จากอีสานท่านจาริกผ่านมาสู่ภาคกลางโดยไม่ถอยปล่อยปลาละวางความเพียรทุกอย่างครั้งอยู่ดงดอน <Yeah. S 1> จาริกเรื่อยมาจำพันษาในพระนครวัดปทุมวันทำนาพั ก, กผรอนห่างไกลภูทอนป่าท่ำลำทาน <Yeah. S 1> พยายามศึกษาเพิ่มเติมปัญญาบายสารพัน เจ้าคุณพระอุบาลีกุนูปมาจาร์วัดบรมนิวาสนั้นเพื่อเสริมปัญญาพิจารณาธรรมครั้นออกพรนษา ในประสาทนาจนข้ามเขตไปนครนายกทำสาริกาติดเขาใหญ่พงไพรพนาหาคนที่นําไฟสู่ท่า แทบไม่ทันรีบหนีลงหนีไกลไม่หวนกลับรับไปไม่เห็นแววที่ต ชาวบ้านบอกกับท่านว่าพระที่เคยไปอยู่ในถ้ำนั้นมาแล้วบอกว่าทำให้เป็นไปต่างๆนาน า, นามีเจ็บไข้บ้างปวดศีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะฆ่าบ้างพระที่ขึ้นไปอยู่ตายไปแล้วสี่องค์ส่วนที่รอดมาได้ ก็โดยรีบลงมาและหนีหายไปไม่กล้ากลับมาที่ถ้ำนี้อีกเลยครับพอชาวบ้านเล่าเรื่องจบท่านพระอาจารย์มั่นยังไม่หายสงสัยในถ้ำนั้นท่านยาขึ้นไปทดลองดูจะเป็นตาอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านไม่ได้มีความสะดุ้งหวาดกลัวไปตามแม้นิดหนึ่งเลย ยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากมายยิ่งขึ้นและมีความอาถรรพที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้แสวงหาความจริงโดยแท้ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงทอมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความการุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิด เพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านจึงพากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์